เรื่องพระยะโสชะเป็นไข่สมัยนั้นท่านพระยะโสชะเป็นไข่คนทั้งหลายนำเพศสัตว์มาถวายท่านภิกษุทั้งหลายให้เก็บเพศัตว์เหล่านั้นไว้ข้างนอกจึงถูกสัตว์กินบ้างขโมยลักไปบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้กัปปิยภูมิที่สงสมมติภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกัปปิยภูมิสี่ชนิดคือ 1. อุตสาวนันติกากัปปิยภูมิที่ประกาศให้รู้กันแต่เริ่มสร้าง 2. โคนิสาธิกา กับปิยภูมิเคลื่อนที่ได้ 3. ามขหปฏิกาเรือนขหบดีที่เขาถวายให้เป็นกับปิยภูมิ 4. สั ม, มติกากับปิยภูมิที่สงสมมุติสีหะพาณวานที่สจบ